ในพระปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปเสด็จดับขันธปาลินิพพานได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงยังประโยชน์ของตน และของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี่เป็นคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสอนมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันทรงสรุปลงไว้ที่ให้จงยังประโยชน์ของตน และของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิดความไม่ประมาทก็คือให้ทำเสียแต่บัดนี้เพราะสังขารเป็นของที่ไม่แน่นอนจะตายไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่ารอไว้ให้แกเราค่อยมาทำประโยชน์ทางจิตใจ เพราะอาจจะไม่ได้แก่ก็ได้อย่างที่เมื่อวานนี้มีลูกเสด็จคนหนึ่งมาแจ้งให้ทราบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้แนะนำให้มาฟังเทศฟังธรรมตอนนี้เขาก็ไปแล้วอายุก็ห้าสิบกว่ายังไม่ทันแก่แก็ไปโดยที่ตนเองไม่เคยคาดคิดว่า จะไปพวกเราทุกคนนี้ไม่เคยคิดกันเลยว่าจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้คิดกันอยู่ว่าจะอยู่กันจนแก่ตายแล้วก็คิดว่าอีกหลายปีก็เลยประมาทกันประมาทก็คือไม่ทำกิจที่ควรจะทำไม่ยังประโยชน์ที่ควรจะยังประโยชน์ ประโยชน์ที่ควรจะยังประโยชน์กันที่ควรจะกระทากันก็คือการทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะยิ่งกว่าเวลานี้โอกาสที่จะได้ทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง เรียกว่าหลายหลายล้านชาติก็ได้กว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งที่จะสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏเป็นแสงสว่างนำทางสัตว์โลกทั้งหลาย จะไม่รู้จักวิธีการทำตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาก่อนการจะมีพระพุทธศาสนาก็ต้องมีพระบรมศาสดาคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัสรุทมที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจาก กองทุกทั้งหลายได้เราก็ตอนนี้ชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว mm hmm. ถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า mm hmm. แต่ตัวของตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสาวก mm hmm. พระธรรมคาสอน ที่สงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปนี่คือเป็นการสั่งบบอกพวกเราก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าเรามีพระธรรมคำสอนเราจะมีพระศาสดาอยู่กับเราไปตลอด นี่คือเรื่องของความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เราต้องคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของเวลาของชีวิตไม่ปล่อยให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระทั้งหลายที่พวกเรากำลังไปหมดกันไปยุ่งไปเกี่ยวกัน ก็คือเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองเรื่องลาบยศสรรเสริญวันวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรกันนอกจากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาลาบหายศหาสรรเสริญกันโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว มันไม่สามารถทำให้ตนพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรทำให้พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวชั่วขณะที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เวลาใดที่สิ่งเหล่านี้พัดพากจากไปเวลานั้นความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ทรมานใจ ต่อให้หาได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้ได้เงินทองกองเท่าภูเขาให้ตำแหน่งได้ได้ยศได้ตำแหน่งในระดับมหาจากักรพรรดิมหากษัตริย<ม>์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็ไม่พ้นจากสภาพของความเสื่อมต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องหมดจาก สิ่งเหล่านี้ไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายลาบยศสละเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่หามาได้ก็จะสูญหายไปหมดเหลือแต่ความว้าเวหวเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พุทธศาสนิกชนให้รีบนำเอาไปปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทให้รีบทำเสียแต่บัดนี้ทำให้มากทำให้เต็มที่ ถ้าทําได้เต็มที่ก็เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมปรากฏขึ้นมาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นต่างๆมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามี ขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์นี่เป็นขั้นของการหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับพบชาติที่ก็จะเหลือน้อยลงไปตามลาดับแล้วก็จะหมดไปในที่สุดถ้ามีการปฏิบัติอย่างเขามรเข้มแน่นอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเต็มที่เต็มร้อย ผลจะต้องเกิดแน่นอนเพราะผลเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยสงสาวกที่เราลำลึกถึงเวลาที่เราสวดบทพระสังฆ ค, คุณสุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน นี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติต r งต่อเพราะทำคำสอนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกขโดยถ่ายเดียวไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังได้ลาบยศจัลลเสินไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นหวังเพียงอย่างเดียวคือการดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้มันหายไปหมดไป นี่คือพระอริยสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบได้ด้วยบุคคลหลากหลายไม่ใช่แต่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นสมัยก่อนมีพระภิกษุณีก็มีเป็นพระอริยบุคคลพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเป็นทั้งนักบวชเป็นทั้งคลารวาดผู้คลองเรือน เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นทั้งเด็กเป็นทั้งผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนดังที่ทรงเคยตรัสไว้ว่าผู้ใด ตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตราบนั้นพระอาหารหันต์จะไม่สิ้นจากโลกนี้ไปพระอาหารหันต์เกิดจากอะไรก็เกิดจากผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโน อย่ายะปฏิปปโนสามีจิ ป, ปฏิปปโนนี่เองนั้นเราอยากไอกิเละมาหลอกเราว่าเราเป็นคารวะเราเป็นหญิงเราไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่ไม่สามารถบรรลุก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นแหละถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ ได้บรรลุกันทั้งนั้นดูคุณแม่ชีแก้วดูคุณแม่ชีกอเขาสวนหลวงท่านก็เป็นหญิงไม่ได้เป็นพระเป็นอุบาสิกาเป็นแม่ชีแต่ท่านก็บรรลุธรรมได้เพราะท่านมีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโน สามีจิปฏิปโนนั่นเองท่านไม่ให้กิเลสมาหลอกมาขวางกัน้นการปฏิบัติของท่านท่านไม่สนใจว่าท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชท่านสนใจอยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพยายามศึกษาให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำเข้าหาครูบาอาจารย์พระปฏิบัติบีปฏิบัติชอบคุณแม่แก้วนี่เข้าหาหลวงปู่มัน่นตั้งแต่ตอนเป็นสาวตอนที่หลวงปู่มัน่นท่านไปปักกรดอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านเธอก็จะนําอาหารไปถวายเป็นประจํา หลวงปู่มั่นท่านก็จะสอนวิธีภาวนาจนวันหนึ่งเธอก็ได้ลองภาวนาพุทโธพุทโธตามคำบอกเล่าพอพุทโธได้ไม่นานจิตก็ลวมลงแล้วก็ไปรับรู้นิมิตต่างๆตอนเช้าก็ไปกราบเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังว่าภาวนาไม่ได้เรื่องเลย นั่งไปแล้วก็หลับเห็นฝันเห็นนู่นเห็นนี่หลวงปู่มั่นบอกว่าไม่ได้หลับอันนั้นแหละเป็นมิติต่างๆแต่เป็นการภาวนาที่ยังไม่ถูกต้องการภาวนานี้ต้องการให้จิตสงบให้นิง่งให้วางเฉยให้เป็นอุเบกขา พอหลวงปุ่มั่นต้องไปจาริกจาริกไปที่อื่นก็ทรงสั่งคุณแม่ชีกแก้วอย่าดอนนั้นยังไม่ได้ปวดว่าตอนนี้ให้หยุดภาวนาไว้ก่อนเพราะจิตแบบนี้เป็นจิตที่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแลคอยสั่งสอนถ้าปล่อยให้ภาวนาไปตามลำพังอาจจะเสียได้เธอก็เลยหยุดไปจน ต่อมาเมื่อเธอมีอายุมากแล้วก็เลยได้ตัดสินใจออกบวชได้ศึกษาต่อจากหลวงปู่มัน่นแล้วก็หลังจากหลวงปู่มัน่นท่านละสังขารก็ไปศึกษาต่อกับหลวงตามหาบัวจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุมรกผลนิพพาน เพราะท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นข่าวลวาดหรือเป็นนักบวชท่านถือว่าท่านสนใจธรรมะท่านต้องการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นท่านก็ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอย่างเคร่งครัดนี่แหละคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นหญิงหรือเป็นชายสมัยนี้มีนักบวชเยอะแยะไปเป็นชายเป็นนักบวชแต่ไม่บรรลุกันก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นอย่าให้กิเลสมันมาหลอกเรา เพื่อให้เราจะได้ไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉั <Yeah. S 1> ้นขอให้เรามาทบทวนดูตัวเราเองว่าตอนนี้เรามีการปฏิบัติกันบ้างหรือเปล่ามีมากมีน้อยเพียงไรควรจะเพิ่มให้มากขึ้นหรืออย่างมีอะไรทำให้ ต้องไม่สามารถปฏิบัติได้มีใครรับประกันได้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะไม่ตายกันเรายังมามัวทาอะไรต่างๆที่ไร้าสาระที่ร้ประโยชน์แก่จิตใจกันทำไมทำไมไม่รีบมาทาสิ่งที่มีสาระประโยชน์แก่จิตใจสิ่งที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อันนี้ทําไมไม่ทํากันทําไมไปหาแต่ลาบยศสารเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วกราบที่ไม่สามารถทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยะการได้มาเกิดและมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็จะ ไร้ความหมายไปประโยชน์สุขที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็จะหลุดมือไปเ <Yeah. S 1> พราะไม่ได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระศาสนาศาสน า, านั่นเอง <Yeah. S 1> มัวแต่ปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสตัณหาที่บอกให้อยากในรูปเสียงกลิ่นลดปพพะอยากในลาบยศสรรเสริญอยากใน อยากให้สิ่งที่ได้มาคือราบยศสรรเสริญสุขนี้อยู่กับตนไปเรื่อยๆความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความอยากเหล่านี้นั่นเอง กามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาพัดพลากอยากกันมาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์ทรมานใจกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกก็จะไม่มีใครรู้ ตอนนี้มีพระพุทธศาสนามาบอกแล้วรู้กันแล้วถ้าไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าดือ้อดื้อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอ้างว่าเป็นหญิงบ้างอ้างว่าเป็นคารวะผู้คลองเรือนบ้างอ้างว่ามีครอบครัวบ้างอ้างร้อยเหตุพันประการทำไมไม่ดูผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน ทำไมเขาไม่มีข้ออ้างอะไรกันเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีญาติพี่น้องเขาก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็อยากมีความสุขจากลาบยศสรรเส ร, ริญจากรูปเสียงเกลื่นร้นแต่เมื่อเขาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเชื่ออย่างถึงใจเขาเชื่ออย่างจริงใจ ไม่ใช่ศักดิแต่ว่าเชื่อเชื่อแต่ไม่ทำตามมันก็เหมือนกับไม่เชื่อนั่นแหล ะ, ะถ้าเชื่อแล้วไม่ทำตามก็อย่าไปเชื่อดีกว่าเชื่อแล้วมันต้องทำตามถึงจะเรียกว่าเชื่ อ, อถ้าเชื่อแล้วทำตามมันก็จะได้ผลตามที่เชื่ อ, อตามที่ถูกสอนถูกบอกมาดั้นเราต้องมาฟิก ความคิดของเราพรฤกษณะกติของเราให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรจะให้ผลได้เท่ากับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้น มีแต่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้และโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งนี้ก็ไม่มีไม่รู้ได้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่<ม>เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ก็จะอยู่กับโลกไป ได้ประมาณห้าพันปีตามที่ได้ทรงตัดไว้แล้วหลังจากนั้นเมื่อกลับมาเกิดก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกมาสอนและก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนาใหม่มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งอีกกี่ล้านชาติด้วยกันเพราะการมาปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ ไม่ได้เป็นของง่ายดายเป็นของที่ยากมากต้องใช้เวลาสะสมบุญบารมีจนกว่าจะได้มาตัดจรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องผ่านมาหลายหลายล้านชาติด้วยกันถึงจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จะสอนทุกๆุกพระองค์ พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็เป็นพระปฏิ ก, กบพระพุทธเจ้าเกิด<ม>ไม่ทรงสอนไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอน<ม>ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรต่อสัตว์โลกนานๆจะมีพระพุทธเจ้าที่จะประกาศพระธรรมคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้พบกันในพบในชาตินี้พระองค์ได้ทรง ประกาศพระธรรมคำสอนและทรงสอนอยู่อย่างต่อเนื่องถึง45ปีด้วยกันภารกิจหลังจากที่พระองค์ได้เสร็จภารกิจของพระองค์แล้วหลังจากที่ยังประโยชน์ของตนได้ถึงพร้อมแล้วเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ส่งยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกต่อไป ด้วยการอบรมสั่งสอนเป็นพุทธกิจห้าประการด้วยกันที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกวันในตอนบ่ายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนสัตธาญิโยมในตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสามเณรภิกษุณีในยามดึกก็สั่งสอนเทวดา ในยามเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็ทรงเร่งยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือความการบำเพ็ญภารกิจของพระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสัตว์โลกทั้งห้าข้อนี้เลยสี่ข้อก็สั่งสอนสัตว์โลก ข้อที่หคือการบิณฑบาตก็เป็นการโปรดสัตว์โปรดให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานได้ปฏิบัติทาตามคำสอนของพระองค์คือเริ่มต้นด้วยการทําทานท่สงสอนให้ทาทานส่งสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ภาวนาเพราะนี่คือทางสู่การดับ ความทุกข์ต่างๆทางสู่การพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องผ่านต้องไปด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเท่านั้นจะไปทางอื่นไม่ได้เป็นทางเดียวที่เรียกว่าทางสายกลางทางอีกสองทางนั้นไม่ใช่เป็นทางสู่การพ้นทุกข์ทางที่ดับทุกข์ด้วยการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นการพ้นทุกข์ชั่วคราวเพราะเป็นความสุขชั่วคราวหรือทางที่ดับทุกข์ด้วยการทรมานตนเองท ร, ทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงได้อย่างถาวรทุกข์ไปเปล่า ความทุกข์มันก็ยังอยู่เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายในทรมารร่างกายก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปทางใจหายไปความทุกข์นี้มันอยู่ที่ใจต้องใช้การทำทานใช้การรักษาศีลใช้การภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ พวกที่บำเพ็ญโพสต่างๆพวกที่กินเจอย่างนี้เป็นต้นกินเจก็ไม่ได้ไปทำให้กิเลสตัณหาตายแต่อย่างใดไม่ได้ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในตายในใจหมดสิ้นไปได้กินไปก็เท่านั้นเระพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงสอนให้กินเจกันแต่ทรงสอนไม่ให้ข้าวสัตว์เพื่อนำเอามาเป็นอาหาร ถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็ต้องรอให้สัตว์นั้นตายก่อนถ้าสัตว์นั้นตายแล้วเอาเนื้อของเขามาทำเป็นอาหารนี่ไม่ได้เป็นการกระทำบาปแต่อย่าไปสั่งให้คนอื่นเขาฆ่าหรือฆ่าเองเพื่อที่จะนาเอามาเป็นอาหารอย่างนี้ทรงห้ามไม่ให้กระทำแต่ไม่ได้ทรงสอนให้ต้องกินเจ ถ้ากินเจแล้วทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พวกวัวควายมันก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปกันหมดแล้วไม่ต้องมาเป็นวัวเป็นควายกันวัวควายก็กินหญ้ากินผักกินเจกันแต่เวลาเผลอมันก็ไปขโมยของกินของคนอื่นได้เวลาเผลอมันก็ไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ดังนั้น ต้องอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การภาวนาถึงจะทำให้ความทุกข์ต่างๆดับไปหมดได้การทำทานก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยากไปเที่ยวกันก็ต้องมีเงินทอง ถ้าไม่มีเงินทองก็เที่ยวไม่ได้งั้นก็อยา่าถ้าจะเอาเงินทองไปเที่ยวก็เอาเงินทองไปทำทานกันเอาเงินทองไปทำบุญกันแทนจะได้หยุดความอยากเที่ยวนั่นเองพอไม่ได้ทำตามความอยากความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าอภารร ซื้อกระเป๋ารองเท้าที่มีอยู่หลือเก่ออยู่แล้วก็เอาไปทำบุญทำทานแทนจะได้หยุดความอยากเหล่านี้ได้เพราะความอยากเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทำตามมันมันจะทำให้ทุกข์ใจ อ, อยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ทำมันจะทุกข์ใจแต่ถ้าอยากจะเที่ยวแล้วนำเอาไปทำบุญมันจะไม่ทุกข์ เพราะการทำวุญจะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาจะทำให้ไม่ต้องไปเที่ยวได้จะทำให้เลิกการใช้เงินเพื่อไปเที่ยวหรือไปซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ต่อไปก็จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินไว้ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะใจไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทอง ไปซื้อสิ่งต่างๆแล้วนั่นเองถ้าจะใช้เงินก็ใช้แต่ความจำเป็นเช่นต้องเลี้ยงดูร่างกายอย่างนี้ถ้ายังไม่ได้บวชเป็นนักบวชเป็นพระก็ต้องมีเงินไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายถ้ามีเงินไว้สำหรับดูเลแตร่างกายนี้ไม่เป็นไม่ได้เป็นไปตามความอยาก เป็นไปตามความจาเป็นพอบางคนนี้อาจจะไม่สามารถบวชได้ก็ต้องอาศัยเงินทองที่มีอยู่นี่ไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูร่างกายถ้าใช้เงินทองไว้สำหรับเพียงเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้เอาไปใช้ตามความอยากต่างๆนี่ก็ <c oughs> ไม่เสียหาย <c oughs> แต่ถ้าไปบวชเป็นพระได้หรือบวชเป็นชีที่อยู่ตามสำนักที่มีผู้สนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกาย mm. ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินทอง mm. มีเงินทองเท่าไหร่ก็สามารถบริจาคทำทานได้หมดนี่คือการทำทานเต็มร้อยก็คือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร เมื่อพร้อมที่จะบวชแล้วก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมก็เอาไปทำบุญทาทานให้หมดนี่ก็คือเรื่องของการทำทานถ้าจะทำทานให้มันหมดไปเลยก็ต้องเนี่ยไปเป็นนักบวชกันเมื่อบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเพราะนักบวชนี้มีศรัทธาญาโยมพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ อันนี้เรื่องของทานก็จะหมดไปก็เหลือแต่เรื่องของศีลและเรื่องของภาวนาที่จะต้องทำต่อไปสำหรับผู้ที่สละการคองเรือนสำหรับผู้ที่อยู่แบบนักบวชก็ต้องมีภารกิจสองข้อนี้คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกข้อแล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนา ศีลก็ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะศีล น, นี้จะช่วยกำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะดึงเอาเวลาของการภาวนาไปถ้าไม่ถือศีลแปดนี้ยังสามารถที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นไปเที่ยวได้ไปรับประทานอาหารข้าได้ไปรับไปงานเลี้ยงได้ ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวได้แต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามต่างๆได้เวลาที่จะเอามาภาวนาก็จะไม่มีถ้าไม่ถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยิบเจ็ดมีไว้เพื่อที่จะกาจัดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไม่ได้เพื่อจะได้ไม่แย่งเอาเวลาของการภาวนาไปพอรักษาสีเหล่านี้ได้ก็จะมีเวลาภาวนาได้ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยลืมตาขึ้นมาก็สามารถเจริญสติได้เลยขั้นต้นของการภาวนาก็คือการเจริญสติต้องควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยเปลื่อยไม่ให้คิดฟุง้งซ่าน ให้คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเช่นกำลังเดินกใกล้รู้ว่ากำลังเดินอยู่เท่านั้นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามันจะไปคิดไม่สติไม่มีกำลังที่จะดึ ง, ด, งดึงมันไว้ก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธไป แบ galaxies, แบสบายสบายไม่ต้องไปเครียดกับมันให้พุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ขอให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปพุทโธแบบสบายสบายไม่ต้องไปค้ำเคร่งกับการบังคับให้พุทโธเวลาเราคิดเรื่องต่างๆไม่เห็นต้องมาค้ำเคร่งบังคับให้มันคิดเลยมันคิดอย่างสบายเวลาเราพุทโธเราก็พุทโธอย่างสบาย ให้มันพุดโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะมีสติมีกำลังหยุดความคิดได้เวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาก็สามารถบังคับให้ใจดูแต่ลมหายใจเข้าออกได้หรือบังคับให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวได้เมื่อใจไม่ไปคิดอะไร เมื่อร่างกายไม่ขยับไม่ทำอะไรเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแยกออกจากร่างกายชั่วคราวปล่อยวางร่างกายชั่วคราวใจจะดึงกระแสของวิญญาณทั้งห้ากลับเข้าสู่ใจเข้าไปรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แต่ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระเพราะตอนนั้นไม่ได้ส่งสัญญาณไม่ได้ส่งวิญญาณไปรับรู้นั้นเอง วิญญาณถูกถอนออกมาด้วยกำลังของสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งได้สักต่์วรรุจิตจะมีความสุขมากจิตจะเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรักชังกลัวหลงจะนิ่งสงบนี่คือสมาธิที่เราต้องการถ้าสงบได้ ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคาิกะสมาธิถ้าสงบได้นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบแล้วไม่นิ่งอยู่เฉยแวบออกไปรับรู้นิมิตต่างๆถึงจะเรียกว่าอุปจารสมาธิเช่นไปรับรู้เรื่องของกายทิพย์หรือไปติดต่อกับกายทิพย์หรือไปรับรู้กระแสะความคิดของผู้อื่นนี่ ต้ออยู่ในระดับอุปจารสมาธิอุปจาระนี้ต้องมาที่หลังอัปปนาต้องมาที่หลังคณิกะไม่ใช่มาก่อนคนเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าอุปจาระนี้มาก่อนอัปปนามาก่อนคณิกะแต่ตามทางปฏิบัตินี้ท่านบอกว่าต้องเข้าไปในอัปปนาก่อนเข้าไปในคณิกะสมาธิก่อนแล้วจึงจะออกไป ทางอุปจาระสมาธิออกไปเพื่อรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้กายทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์มีอิทธิฤทธิปาฏิหารอิทธิฤทธิปาฏิหารก็อยู่ในสมาธิอุปจาระนี่แต่เป็นสมาธิที่ไม่เหมาะไม่สนับสนุนในการเจริญวิปัสสนา เป็นสมาธิที่ไว้สำหรับท่องเที่ยวมากกว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำชับนี่ถ้าได้สมาธิแบบนี้แล้วจะติดนั่งแล้วก็จะออกไปท่องเที่ยวไปดูนรกไปดูสวรรค์ไปพบกับดวงวิญญาณต่างๆอย่างคุณแม่ทีแก้วเธอก็มีความ สามารถที่จะไปในทางนี้พอจิตสงบปั๊บนี่ไปแล้วออกไปรับรู้เรื่องของวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปแล้วแม้แต่วิญญาณของหลวงปู่มั่นในคืนที่หลวงปู่มั่นท่านละสังขารเธอก็รับรู้ได้หลวงปู่มั่นมาเข้าในสมาธิของเธอมาบอกว่าหลวงปู่ได้ละสังขารแล้ว แม่ชีกำลังจะไปเยี่ยมในวันนุ่งขึ้นหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วไปก็พบแต่ซากของหลวงปู่คือร่างกายแต่ดวงวิญญาณของหลวงปูน่นี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนั้นแล้วสมาธิแบบนี้มันเป็นสมาธิแบบท่องเที่ยวสมาธิแบบบันเทิงเหมือนดูภา พ, พยนตร์ดูหนังฟังเพลง มันทําให้เคลิดเพลินแต่มันไม่ได้ทําให้จิตนิ่งสงบมีอุเบกขาจะทําให้จิตนี้มีความหิวได้มีความโลภมีความอยากได้ถ้ามีเข้าไปในสมาธิแบบนี้เวลาออกจากสมาธินี้มาจะไม่มีกําลังอุของอุเบกขาไว้สําหรับใช้ในการใช้ปัญญาเพื่อหยุดกิเลส เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาก็จะไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสได้ยกตัวอย่างมีฤาษีท่านหนึ่งตามตาราตามที่ได้เล่าฟังกันมาท่านก็มีอิทธิฤทธิมีความสามารถเหาะเหินได้เวลาไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เหาะเข้าไปในวังพระเจ้าแผ่นดินก็โปรดปานมีความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมาก วันหนึ่งฤาษีรูปนี้ท่านก็เหาะเข้าไปในวังแต่ไปผ่านห้องบรรทมของพระลาชินีซึ่งกำลังเปลยกายอยูอ่พอเห็นท่านเปลยกายใจก็เกิดการมราคาขึ้นมาทำให้ท่านต้องไปมีการประพฤติผิดประเวณีกับพระลาชี น, นีนี่คือสมาธิที่ไม่มีกำลังที่จะต้าน กิเลสตัณหาต่างๆเวลามันเกิดขึ้นมาประราชาท่านทรงทราบท่าท่านเสียพระไทยจากเนื่องจากมีความเคารพก็ไม่ได้ลงโทษฤาษีลูกนั้นให้อภัยอันนี้เพียงแต่เปรียบเทียบไม่ฟังเรื่องของสมาธิที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ เป็นสมาธิที่สู้กิเลสไม่ได้พระเทวทัตก็แบบเดียวกันพระเทวทัตก็มีสมาธิแบบนี้มีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถทางอภินยาพอเกิดกิเลสความมักใหญ่ฝ่ายสูงอยากจะเป็นประธานสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถหากข้ามกิเลสนั่นได้ถึงกับกล้าขอจากพระพุทธเจ้า ขอให้พระพุทธเจ้าประทานพรให้เทวทัตได้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงชลาภาพแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าเป็นกิเลสจิตใจของพระเทวทัตนี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความครอบงําของกิเลสตัณหาถ้าปล่อยให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์ก็จะ ทำให้สงนั้นเสื่อมได้เอี่พรอองค์ก็ทรงตัดว่าแม้แต่สาวรบุตรหรื อ, อโมกกาลานะที่เป็นอัครสาวกเรายังไม่ได้ตั้งให้เขาเป็นประธานสง์แทนเราเลยเออเธอเป็นใครเนี่ยถึงจะมาขอเป็นประธานสงเนี่ยพอพูดเท่านี้ความโกรธก็ขึ้นมาความอาเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทความเกลียด กระโเผกขึ้นมาทันทีถึงกับคิดจถึงกับพยายามที่จะปร่งพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกัน น, นี่คือเรื่องของอุปจาระสมาธิเนี่ยไม่มีกำลังที่จะต้านกิเลสเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความโลภเกิดความ โ, รามโกรธ กอความหลงขึ้นมาก็ไม่สามารถยับยั้งมันได้ไม่เหมือนกับจิตที่มีอปปนาสมาธิจิตจะเป็นจิตที่เยือกเย็นจิตที่ไล้ความโลภความโกรธความหลงแต่ก็มีบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็จะสามารถที่จะสู้กับมันได้ เพราะอปปนาสมาธินี้ยังไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้เพีย ง, ต ง, ตงแต่กดมันไว้ทำให้มันอ่อนกำลังลงเท่านั้นเองแต่มันไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิพอออกจากสมาธิมากิเลสก็ยังงวงเนียอยู่เหมือนคนที่เพิ่งตื่นก็ยังไม่มีกำลังมาก ก็จะไม่กล้าแข็งริดแล้วถ้าเกิดมันถ้ายออกมานานๆเข้ากิเลสก็จะมีกําลังมากขึ้นผู้ปฏิบัติถ้ามีสติก็จะรู้ทันพอรู้ว่ากิเลสเริ่มมีกําลังมากก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับไปเพื่อตัดกําลังของกิเลสใหม่หรือถ้าออกมาตอนที่กิเลสยังไม่มีกําลังก็รีบพิจารณาปัญญาทันที พิจารณาดูตายลักทันทีดูในลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่ให้เป็นของเราไปได้ตลอดถ้ามีปัญญารู้ทันเวลาเกิดความโลภในลาบยศสรรเสริญก็จะสามารถหยุดมันได้ทันที เพราะใจมีกำลังของอุเบกขาที่ยังมีค้างอยู่ในใจเวลาที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆก็จะสามารถที่จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ด้วยกำลังของอัปปนาสมาธิและด้วยปัญญาด้วยเหตุผลของปัญญา ที่เห็นว่าการทําตามความอยากต่างๆเป็นการนําไปสู่ความทุกข์ทุกสองขั้นทุกที่ใจเวลาอยากนี้ใจก็ทุกข์แล้วใจไม่สบายใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายทุกขั้นที่หนึ่งทุกขั้นที่สองก็คือสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ได้ความสุขสองขั้นด้วยกันสองครั้งครั้งแรกก็ทุกตอนที่เกิดความอยากพอได้ความได้สิ่งที่อยากมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็สงบตัวไปพอได้ความสุขจากไดจากการที่ได้สิ่งที่อยากได้มาแต่พอสิ่งที่อยากได้มาหายไปหมดไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่แล้วก็ทําให้เกิดความอยากใหม่อยากจะได้ใหม่ ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยอันนี้มันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆนี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของตัณหาของความอยากเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงว่ามันจะนำไปสู่ความทุกข์จะนาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิน้น ถ้าเห็นอย่างนี้เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะใช้กำลังของสมาธิสู้กับมันใช้อปปนาสมาธิสู้กับมันใช้อุเบกขาสู้กับมันจะไม่รู้สึกทรมานใจเวลาผู้ที่มีอุเบกขาอยู่ในใจมีสมาธิมากมากนี้เวลาเกิดความอยากมันจะไม่ทรมานใจเหมือนกับผู้ที่ไม่มีอุเบกขามีความทุกข์บ้างแต่ไม่มากเหมือนกับความทุก ของคนที่ไม่มีอุเบกขาก็เลยทําให้สู้กับความทรมานใจนี้ได้ถ้ามันทรมานก็เพิ่มอุเบกขาขึ้นไปด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดีย ว, ยวมันก็หายอยากหยุดความอยากได้พอความอยากหายไปใจก็สงบใจก็เป็นอุเบกขาเต็มที่นี่คือเรื่องของการภาวนา ที่เราจะต้องบำเพ็ญกันตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าทรงสอนให้จะิญให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงสองยามให้พักผ่อนจากสองยามสี่ทุ่มถึงตีสองให้พักผ่อนจากตีสองไปถึงสว่างหกโมงเช้าก็ให้ภาวนา เสร็จแล้วก็ให้ไปทำภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำพระก็ออกบินธบัดแต่ก็ให้ภาวนาให้จเจริญสติไปกับกิจกรรมที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาให้มีสติจเจริญสติหรือให้ใช้ปัญญาพิพจารณาทมต่างๆที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ในตอนนั้นแล้วพอเสร็จภารกิจที่จะต้องทำแล้วก็ให้กลับมา ที่พักของตนเพื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิจะเริญนสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาต่อไปตามกําลังของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ในขั้นจเจริญสติก็มันจเจริญสติให้มากๆถ้าอยู่ในขั้นนั่งสมาธิก็นั่งให้มากๆาถ้าอยู่ในขั้นวิปัสนาก็ให้พิจารณาให้มากๆแต่ต้องสลับกับการนั่งสมาธิเพราะปัญญานี้ ถ้าจเจริญมากมากแล้วก็จะฟุ้งซ่านได้เป็นอุทธะขึ้นมาได้ก็ต้องระ ง, งับกลับเข้าไปในสมาธิพักจิตให้สงบให้หายฟุ้งก่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณารมใหม่ต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไประว่างสมาธิกับปัญญาจนกว่าจะสามารถกำจัด ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอตันหาความอยากหมดไปจากใจความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตันหาความอยากทั้งสามคือ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอกำจัดได้ด้วยสมาธิและปัญญาความอยากเหล่านี้ก็จะหมดสิ้นไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะว่างนิพพานังปรมังสุญญ์งังว่างจากกิเลสตัณหานี่เองไม่ได้ว่างจากอะไรว่างจากความทุกข์ เมื่อไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์แต่ไม่ว่างจากความสุขแต่จะเต็มไปด้วยบลำ ม, มาสุขนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยนิพพานังปรมังสุญญยังเนี่ยนี่คือจิตที่คือจิตที่จะกลายเป็นอย่างนี้ไปจากการที่บำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ครบบริบูรณ์ทานก็ ทำให้เต็มที่เต็มร้อยมีเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดไม่อาศัยเงินทองเป็นสาระตอบอีกแล้วให้อาศัยธรรมะเป็นสาระให้อาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสรระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องทำอย่างนี้แหละถึงจะได้ทำให้จิตเป็นนิบบานังปละมังสุญญยังนิบานังปล ะ, ะมังสุขขังนี่คือเรื่องของการยังประโยชน์ของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรยอดระยะเวลาหกปีที่ส่งบำเพ็ญพระองค์ไม่ได้ส่งทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเลยไม่ทรงคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเลย ทรงคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำก่อนนะเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายนี่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขาหายจากการไม่สบายได้อย่างไรถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีรักษาตัวเราเองให้หายจากการไม่สบายก่อนเมื่อเ ร, รู้จักวิธีรักษาตัวเราให้หายจากความไม่สบายแล้วเราก็ไป สอนคนอื่นไปช่วยคนอื่นให้เขารักษาตัวเขาให้หายจากความไม่สบายได้ทันใดใจก็เหมือนกับร่างกายใจของพวกเราตอนนี้ไม่สบายกันไม่สบายด้วยความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆเราต้องเอาธรรมะโอสดมารักษาใจของพวกเราก่อนเมื่อเรารักษาใจของพวกเราได้แล้วแล้วเราก็ค่อยไป ไปรักษาใจของผู้อื่นต่อไปเนี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาพระทัยของพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนพระองค์ก็ไม่ได้ทําภารกิจอย่างอื่นอีกต่อไปภา ร, รกิจของพระองค์นั้นสินสรรนนส้นสุดลงแล้ววุตตังบรมจะได้ยังเออกิจในพรมจรั์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจก็คือทานศีลภาวนาได้ทําจนครบบริบูรณ์แล้ว ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วคือได้ลดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวอนแล้วไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปไม่มีภพชาติอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อหมดภารกิจของตอนแล้วก็มีเวลาว่างที่จะมาทำภารกิจให้แก่ผู้อื่นด้วยการทำพุทธกิจห้าสั่งสอนญาติโยมสั่งสอนพระสุขพระภิกษุสา ม, มนเณรภิกษุณี สั่งสอนเทวดาแล้วไปโปรดบุคคลที่ทรงเห็นว่าสมควรที่จะโปรดในวันนั้นแล้วก็ออกบินะบาดโปรดสัตว์นี่แหละคือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสองประโยชน์ด้วยกันคือประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นการต้นหกปีแรกนี้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ของพระ อ, องค์เองพอหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ประโยชน์แล้ว ก็ส่งบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกสี่สิบห้าปีด้วยกันอย่างนี้ใครจะมาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวก็ห้ามเขาไม่ได้ใครบางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชไปบวชมันสุขที่ไหนเออถ้าทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อไปเที่ยวเพื่อไปมีเมียใหม่มันน่าจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวแต่นี้ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเพื่อที่จะไป อย่อยางทุกยากลําบากเพื่อที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหาอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวที่ไหนถ้าเห็นแก่ตัวก็เห็นตรงที่ว่าจะต้องพึ่งตนเองเท่านั้นเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมารักษาใจของตนเองได้ไม่มีใครที่จะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องทําด้วยตนเองถ้าจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวมันก็ต้องเห็นแบบนี้ทุกคนต้องเห็นแก่ตัว ไม่อย่งนั้นเราจะกินข้าวได้หรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็อยากกินข้าวถึงเวลากินข้าวก็เอาข้าวไปให้คนอื่นกินยังเรื่องก็ไม่เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นเรื่องของคนพูดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคนที่พูดด้วยอคติพูดด้วยความเกลียดชังหรือพูดด้วยความอิจฉาริษยาเพื่อที่จะลดความเด่นของพระพุทธเจ้าให้ลดให้น้อยลงไปเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วไม่มีใครที่จะเสียสละได้มากเท่ากับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญภารกิจให้แก่สัตว์โลกถึงสี่สิบห้าปีได้เงินเดือนแค่วันละหนึ่งบาทเท่านั้นเองเดือมละสามสิบาทคือเบนทบาทวันละหนึ่งบาทไม่ได้อะไรไปมากไปกว่านั้นนี่คือเรื่องของพระปชิมโมวาที่ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า สังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่แน่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงประโยชน์จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขอให้พวกเราน้อมเอาคำสอนอันนี้ไป พ, พิจารณาอย่างถึงใจเถิดอย่าเพียงแต่สักแต่ว่าพิจารณาพิจารณาเพื่อที่จะได้ น้อมนำเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปเลยแล้วรับรองได้ว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี้จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโูปนะระโสยะถามณีโชติ ระโซยะทัสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีิทสนิจังวุทาปจายโนจตารโหธมมาวาทานติอายุวโนสุขัง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 ถ้าไม่อยากจะปรากฏหน้าตาก็เขียนคำถามขึ้นมาก็ได้ถ้ากลัวเดี๋ยว Problem, <c oughs> คนที่บ้านรู้ว <g ồi S 2> <laughs> ่าแอบมันทำ่างนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดอันนี้ทางเฟ e บุ๊กกับยูทู e ไม่ทราบเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กวันนี้เข้ามาสี่ร้อยคน ยูทูบเข้ามา64คน64อ่แล้วก็พี่บอยนับคนบนเขาได้255คนอ่255อ่าอันนี้มามากเพรพปกติธรรมดาธรรมดาร้อยกว่ากว่าปกติเพราะคณะจุลธรรมรู้ป่าไม่รู้ เดี๋ยวทางบ้านมีคำถามไหมจอถามได้เลยคำถามจากคุณพัทธลพนข้อที่หนึ่งการพยายามภาวนาพุทโธอยู่ตลอดในทุกๆกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งวันในชีวิตประจำวันแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกทางแล้วหรือไม่คะ หรือต้องเอาสติจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำคะและในกรณีที่เราภาวนาพุโทโธตลอดทั้งวันในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันแบบนี้ยังจำเป็นไหมสำหรับการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเหมือนที่นั่งปฏิบัติธรรมในวัดคะอ๋อจำเป็นการนั่งสมาธินี่เป็นกิจที่จำเป็นแต่ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ผลนี่ต้องเจริญสติให้ได้ก่อน ต้องมีสติกำกับควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้ใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาพอมีเวลาว่างก็ให้นั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ถ้าไม่นั่งสมาธิก็จะไม่ได้สมาธิจะได้แค่สติซึ่งก็ไม่พอเพียงสำหรับการที่จะ ใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสให้หมดไปจากใจนั้นสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกแล้วเป็นขั้นเริ่มต้นคือฝึกสติก่อยกากับควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆให้หยุดความคิดต่างๆจะเฝ้าดูการงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้โดยให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วใจเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ใจก็จะว่างแต่ยังไม่สงบว่างจากความคิดหรือความคิดเบาบางลงไปยังไม่หมดยังมีความคิดแทรกเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆอยู่แต่ไม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีพุโทโธมันจะมีแต่ความคิดตลอดเวลาถ้ามีพุโทโธก็จะหยุดความคิดในช่วงที่มีพุโทโธพอเผลอไม่ได้พุโทโธคลความคิดก็จะกลับเข้ามาก็ต้องพยายามทา ให้ไม่มีความคิดให้ได้แล้วให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้แล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้ลึกได้สงบมากกว่าตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็จะมีความสุขใจที่จะต่อสู้กับใช้ที่จะใช้ต่อสู้กับความอยากที่จะไป หาความสุขในรูปแบบอื่นได้เกิดความอยากดื่มกาแฟก็บอกไม่ดื่มก็ได้มีความสุขในสมาธิไม่ดื่มก็ไม่ทรมานก็หยุดดื่มกาแฟได้หยุดสูบบุหรี่ได้หยุดดื่มสุราได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำได้ถ้ามีสมาธิ้ามีปัญญาบอกว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ควรจะกระทาข้อที่สอง การเจริญอสุพะหรือที่ปรากฏในหนังสือต่างๆที่ว่าให้พิจารณาลอกหนังออกจนถึงโครงกระดูกหมายความว่าอย่างไรคะก็ส่วนหนึ่งก็ให้รู้ความจริงของร่างกายว่ามันมีอะไรบ้างเราเห็นเพียงหนึ่งในหนึ่งในหกเราเพียงเห็นเพียงห้อาการเราเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองแต่ใต้ผิวหนังเราไม่มองไม่เห็น ก็ต้องจากใต้ผิวหนังก็ต้องดูว่ามีอะไรก็มีเนื้อใต้เนื้อเข้าไปมีอะไรก็มีกระดูกข้างในกระดูกมีอะไรก็มีเยื่อในกระดูกแล้วนอกจากกระดูกแล้วมีอะไรอีกก็มีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีม้ามมีพังผืดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยนี่ให้ดูอาการต่างๆที่มีในร่างกายที่ไม่สวยงาม เพื่อที่จะทำให้ตัด ก, การมารมได้ถ้าเห็นแต่ภายนอกจะเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาเห็นแต่ผมเห็นแต่ปากก็จะเกิดเห็นแต่จมูกก็เกิดความรักความชอบขึ้นมาได้แต่พอเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังมันก็จะทำให้ความรักความชอบนี้มันหายไปได้ ทำให้ไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาอยู่คนเดียวสบายไม่ต้องไปทุกข์กับสามีต้องทุกข์กับภรรยาต้องทุกข์กับลูกนี่คือการเจริญอสุภะเพื่อทำให้เราอยู่เป็นโสดได้ไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีครอบครัวคนที่มีครอบครัวนี่พวกคนตาบอดยังเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามอยู่ เห็นเราก็อยากได้ให้เขามาเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาทั้งทั้งที่กำลังเอาโครงกระดูกมาเป็นสามีโครงกระดูกมาเป็นภรรยาแต่มองไม่เห็นเอาปอดเอาตับเอาหัวใจเอาลำไส้มาเป็นสามีมาเป็นภรรยากันมองไม่เห็นถ้าดูอาการสามิบสองอยู่เรื่อยๆมันจะเห็นตลอดเวลามีคนถามว่าเห็นแบบไหนก็เห็นแบบที่เรา เห็นเนี่ยตอนนี้เราคิดถึงเงินเราเห็นไหมใช่ไหเห็นแบบนั้นอ่ะคิดถึงพ่อถึงแม่เห็นไหมเห็นใช่ไหก็เห็นแค่นั้นคิดถึงอุจจาระเห็นไหมเห็นใช่ไหมพอคิดถึงอุจจาระเขากินข้าวไม่ลงนะก็เหมือนกันก็ให้เห็นคิดคิดถึงอสุภะแล้วก็ทำให้หายอยากอยากจะมีแฟนเท่านั้นเองก็ใช้ได้ละนะคนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาให้เห็นแบบไหน ก็ให้เห็นแบบที่เราเบื่อหน่ายหรือคลายความลักความหลงได้ก็ใช้ได้จะเห็นแบบไหนก็ได้และการเจริญอสุภะควรกระทําตอนไหนคะหลังจากที่ภาวนาพุทโธเสร็จหรือระหว่างวันหรือสลับเป็นวันๆไปกับการภาวนาพุทโธคะก็สลับกันก็ได้แต่ถ้าจะปฏิบัติให้มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนมันก็ต้องขั้นต้นก็ต้องให้ได้สติก่อน แล้วพอได้สติก็ไปให้นั่งสมาธิให้มันได้สมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอานิจจงทุกขังอนัตตาไปต่อแล้วมันก็จะได้ผลอย่างแน่นอนแต่ถ้าทําแบบแบบมวยวัดเท่านึกอยากจะพิจารณาก็พิจารณานึกอยากจะเจริญสติก็เจริญสติ ทําแบบไม่มีรูปแบบไม่เป็นขั้นเป็นตอนมันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นเป็นกอเป็นกรรมเฉะนั้นต้องทําแบบขั้นตอนเช่นเรียนหนังสือเรียนหนังสือตอนต้นเขาก็ให้เรียนกอไก่ขอไขก่ก่อนกอไก่ขอไข่สละอสละอาไปก่อนท่องไปก่อน ขอท่องได้แล้วก็สอนให้มาผสมกันอักษรกับสระผสมกันผสมแล้วก็ให้ให้เข้าใจความหมายของตัวอักษรตัวหนังสือว่ากอไก่ไก่เป็นอะไรไข่เป็นอะไรให้รู้ความหมายของตัวหนังสือมันต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงจะได้ได้ผลดีกว่าที่เราทํากันแบบไม่รู้เรื่องอ นึกอยากจะพูดโธก็พุทโธไปนึกอยากจะอสุภะก็อสุภะไปนึกอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งไปมันก็ต้องดูว่านั่งแล้วได้ผลหรลือเปล่าจิตสงบหรือเปล่าพิจารณาอาสุภะแล้วกําจัดความอยากได้หรือเปล่ามันมีเป้าหมายของการกระทําการเจริญสตินี้ควบคุมความคิดได้หรือเปล่าเจริญสติเพื่อให้ควบคุมความคิดเย เพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบใจจะได้เป็นอุเบกขาใจจะได้มีความสุขมีความอิ่มเพื่อที่จะได้ใช้ต่อสู้กับความอยากด้วยการใช้ปัญญาพออยากมีแฟนพอพิจารณาการสามสิบสองเข้ามันก็หายบางทีเห็นแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ยังกิเลสมันก็ยังด้านอยู่มันก็มันก็ยังจะเอาอยู่เพราะมันเห็นแป๊บเดียวเห็นตอนที่พิจารณาคิดเท่านั้น พอไม่ได้คิดปับมันก็เห็นเป็นของสวยงามขึ้นมาใหม่มันก็จะอาจจะสู้กับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วมันจะสู้ได้เพราะมันจะเห็นได้นานกว่าได้ยาวกว่าและมันก็ไม่เดือดไม่เดือดร้อนไม่ทรมานใจเวลาที่เกิดความอยากข้อที่สมการเดินจงกรมควรมีสติกำหนดตรงบริเวณฝ่าเท้า ที่กระทบพื้นหรือคาบริกรรมพุทธโธคะได้ทั้งสองอย่างดูที่เท้าก็ได้ดูที่พุทธโธก็ได้ก็แบบเดียวกันเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอไม่ให้ไปคิดถึงเงินสิงทองไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจหยุดคิดด้วยการเฝ้าดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือว่าจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ คำถามจากคุณกัญญารัฐ์ทุกครั้งที่ลูกสวดมนแค่พุทธคุณแล้วนั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะได้ไม่สวดลยก็ได้ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วนั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดก็ได้การสวดนี้บางทีมันสำหรับคนที่นั่งไม่ได้นั่งแล้วใจ ย, ยังฟุ้งอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มากก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์เพื่อให้ความคิดต่างๆมันเบาบางลงไปแล้วก็พอที่จะ ดูลมได้หรือพอที่จะพุทโธได้ก็นั่งสมาธิไปเลยคําถามจากผู้ฝากถามในศาราคนที่ไม่มีคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆหรือนับถือศาสนาอื่นเช่นคริสต์หรืออิสลามหากทําบาปต้องตกนรกเหมือนพุทธหรือไม่คะเหมือนกันนะ่ะไม่จะเหมือนกับคนที่ทําผิดกฎนะหมายน่ะตำรวจก็าจับเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันทั้งนั้นก็ไม่ถามว่านับถือศาสนาไหนหรอก นะฮะทำไปกฎหมายมันก็ผิดเป็นพุทธทำทําบาปมันก็ผิดเป็นอิสลามเป็นอะไรมันทําบาปมันก็ผิดเหมือนกันอาจารย์คะอย่างเวลาเรานั่งสมาธิแล้วอะคะ่ะพอเวลาเราจะนอนเรากําหนดสติว่าเราจะนอนมาแล้วเราก็กําหนดว่าเราจะตื่นตอนตีสี่อย่างเงี้ยคะ่ะอืแล้วเวลาเราหลับไปแล้วเราตื่นเลยเหมือนล่ เหมือนตัวตนเราหายไปชั่วขณะเวลาที่เรานอนแบบนอนปุ๊บตื่นปั๊บเลยอะค่ะออแล้วจิตอย่างนั้นมันคืออะไรคะก็หลับง่ายตื่นง่ายไม่ฝันจิตมันสงบจิตมันสงบมันไม่ฝันมันไม่อะไรแล้วเวลาเราอย่างเวลาเราดนรถชนสลบกับเวลาเราดนวางยาสลบเวลาเราผ่าตัดเนี้ยค่ะแล้วจิตชองนั้นหายไปไหนละคะมันไม่หายหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถรับรู้อะไรผ่านทางร่างกายได้ เพราะสิ่งที่จะส่งข้อมูลไปให้ร่างกายถูกปิดทางไว้อจิตก็เลยไม่สามารถรับรู้เรื่องที่ผ่านทางร่างกายได้แล้วถ้าถ้าอย่างนั้นจิตตรงนั้นถือว่าเป็นสภาวะธรรมที่บริสุทธิ์ไหมเจ้าคะไม่บริสุทธิ์ก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมหเหมือนตอนเรานอนหลับมันก็เราก็ไม่รับรู้ร่างกายเหมือนกันคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะ จากคุณขวัญลื่นการฟังธรรมบ่อยๆจะช่วยให้เรามีสติปัญญาที่ฉลาดขึ้นถูกต้องไหมคะใช่การฟังธรรมก็ฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่จะสามารถที่จะกำจัดความโลภโกรธหนงความอยากได้ต้องไปฝึกสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีกาลัง ก็จะสามารถใช้ปัญญาที่ได้ฟังนี้มากำจัดกิเลสได้คนที่มีสมาธิแล้วเวลาฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เช่นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชทั้งหลายปัาปัญจ ว, วคีนี่พอแสดงธรรมปั๊บเขาก็บรรลุธรรมได้เลยแต่ถ้าฟังอย่างพวกเรานี้ยังไม่มีสมาธิกันฟังมาต้องไม่รู้สิบกว่าปีแล้วมันก็ยังฆ่ากิเลสไม่ได้สักที เพราะมันไม่มีกําลังที่จะฆ่ามันยังเชื่อกิเลสอยู่มากกว่าเชื่อธรรมพ อ, อกิเลสบอกกาแฟปั๊บมันก็รีบไปจัดการถ้ามีสมาธิมันก็ไม่หิวมันก็ไม่หิวกาแฟกิเลสบอกให้เอากาแฟมันก็เฉยเฉยไม่กินก็ได้ยุ่งยากต้องไปต้มน้ําต้องไปทําอะไรอยากกินดีกว่าพ อ, อไม่กินถ้าพักมันก็หายอยาก คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติการทําเกษตรเคมีบาปจริงหรือเปล่าครับไม่รู้่ถ้ามันไม่ฆ่าสัตว์มันไม่บาปถ้าไม่ทําให้สัตว์สิ่งที่มีชีวิตตายมันก็ไม่บาปคําถามจากคุณธรรมมาจารุวันการที่เราได้ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกประทับใจในธรรมะของพระอาจารย์หรือคารวะท่านนั้นๆเราก็บอกชวนเพื่อนไป เพื่อนจะพูดว่าอย่าไปห่วงคนอื่นมากนะักเอาตัวเองให้รอดก่อนเหมือนเตี้ยวอุ้มคอมก็เอะใจกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเจตนาหวังดีของเราแค่บอกให้เขารู้เราผิดไหมคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกเราเห็นว่ามีอะไรดีแล้วก็บอกกันได้แต่อย่าไปถึงขั้นที่เราต้องเสียเวลาไปนั่งเคี่ยวเข็นไปไปไปผักใบดนันไปลากไปดึงให้เขาไป เพียงแต่บอกกันให้รู้ว่าที่ตรงนั้นมีอะไรดีๆนะถ้าสนใจก็ลองไปดูบอกแค่นี้เป็นการบอกบุญเป็นการบอกทางแต่ไม่ได้เป็นการที่จะไปไปเที่ยวเข็นบังคับหรือไปหลอกไปล่ออะไรต่างๆถ้าอย่างนั้นมันก็มันก็แล้วแต่การรับเทใส่ถ้าเป็นคนที่เรารักเช่นลูกเราพ่อแม่เรา เราอยากจะให้เขาไปวัดถ้าเรามีอุบายหลอกล่อให้เขาไปได้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเ <c oughs> พราะมันเป็นประโยชน์สําหรับผู้ไปเไปแล้วจะได้รับประโยชน์แต่เราต้องไม่ทุกข์ใจไปกับการกระทําของเราตอนนั้นเองถ้าเราทําแล้วเรามีความทุกข์ใจก็แสดงว่าเราทําผิดล่ะเราทําด้วยความอยากคําถามสุดท้ายนะคะอคําถามจากผู้ฝากถามในศาลา มีพระมาอบรมสั่งสอนบุตรแล้วบุตรเกิดโกรธมากแล้วบุตรยกมือพูดยกมือพูดว่าพระองค์นั้นว่าขอไม่ให้มีจุดยืนการที่บุตรเป็นเด็กกล่าวแบบนี้บาปหรือไม่คะและต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ยังไม่ถึงว่าบาปเพราะไม่ได้พูดคําปดเพียงแต่คาพูดพลุทสวสัสก็เป็นคำพูดที่ไม่ควรที่จะพูดพูดคำหยาบหรือพูด ด้วยเจตนารมที่ไม่ดีต่อผู้อื่นประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นก็ไม่ควรจะพูดก็สอนเขาว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาพูดกับเราอย่างนี้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไรให้เขาเห็นถึงกฎแห่งกรรมให้เอาหัว อ, อกเขาใส่หัว อ, อกคนอื่นเอาออหัว อ, อกคนอื่นมาใส่หัว อ, อกเขาเพื่อเขาจะได้รู้ว่าการกระทำของเขานั้นมันมีผลอย่างไรต่อผู้อื่นแล้ว<ห>น<ห>ักศึกอ